วิธีสละอัจเจกจีวันที่เป็นนิสกีสละแก่สมพิสูรรูปนั้นพึงเข้าไปหาสมผมอุตรสงช่วยยังบ่าข้างหนึ่งปรับเท้าพิสูรผู้แก่พรรษานั่ ง, รงประยมประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญผ้าเจกจีวนันผืนนี้กระผมทำให้เกินสมัยที่เป็นจีวรนการเป็นนิสกีกระผมสละอัเจกจีวัผืนนี้แก่สงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนอัจเจกัดจีวันที่เธอสละให้ด้วยยจติกรร ม, มะวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าอัจเจกัจีวันเผื่อนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นอิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้อจเจกัดจีวันเพื่อนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแกะ่คณะภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุหลายรูป ผมอุตราทรงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญผ้าเจกาจีวันผืนนี้กระผมทำให้เกินสมัยที่เป็นจีวันการเป็นนิสกีกระผมสละอเจกาจีวันผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัต รับอาบัติแล้วพึงคืนอเจากาจีวนันที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าอาเจากาจีวันผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วพึงให้อัเจากาจีวันผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งผมอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่ง นั่งประยองประนมเอ่ยกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญผ้าเจกาจีวรผืนนี้กระผมทําให้เกินสมัยที่เป็นจีวรการเป็นนิสสกีกระผมสละอาเจกะจีวรผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนอัเจกะจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนอัเจกะจีวรผืนนี้ให้แก่ท่าน